ตันจังใจฟังจะอธิบายทั้งเรื่องสมาธิให้ฟังบางทีบางคนเราอาจยัไม่เคยทําสมาธิผดายนะบางคนก็เคยทํามาแล้วมีไม่เคยทําก็จะได้ทำมันนี้แหละ้มันรู้เรื่องการทำสมาธิคือทํำยังไงเบื้องต้นก่อนที่จะทําสมาธิ เราต้องคิดค้นถึงเรื่องเหตุผลของการทำธรรมะที่เดีวก่อนอเหตุผลก็มีอะไรถึงใครเรนอกจากเราหาตัวจิตหาจิตให้จิตจิตคืออะไรใจคืออะไรได้เห็นตัวนี้เดีก่อนถ้ายัางไม่ทันเห็นจิตก็ทำธรรมะที่ไม่ถูกถึงทำไปต่อเป็นไปแล้ว แต่ว่ารู้จักว่าจิตคืออะไรทำไดปกระทำไปอย่างนั้นนี่ยไม่มั่นคงไม่เห็นตัวจิตจะทำสมาธิได้ยังไงจะให้มั่นคงได้ยไจิตคือตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแตง่ง อ, อันนั้นอันนั้นาการอันนั้นาการของจิต ให้รู้จักทุกคนต้องมีคิดมีนึกมีกมรุงมีแต่งมีทุกคน น, นะนะอันนั้นคือตัวจิตให้จับตัวนั้นให้ได้แต่วิธีจับท่านสอนไว้หลายอย่างบางครูบางอาจารย์นั้นก่อนสอนดรวยแต่ต่างๆน้อํตำรบตำรา แต่ในผลที่สุดรวมมึงแล้วก็เพื่อจับจิตกันนั้นให้ได้บางคนก็อาศัยพุโทโธหรืออนาปารสติหรือมาณานาสติบางคนส่งยุบหนอะค้องหนจะมาระหังอะไรต่างๆสุดแล้วแต่ใครจะชำนิชำนาญทางไหนพุาธอยังไงก็ได้แต่ข้อสำคัญแล้วต้องกัด ต้องการให้จิตมารวมในจุดเดียรรวมคือรวมสมาธิคือรวมบริกรรมมันเองจิตมารวมในสมาธิมารวมพริกรรมมาแล้วนั่นเรียกว่าสมาธิแล้วตรงนี้มันยากตรงนี้นหะที่ยากเห็นจิตได้เห็นทุกคนในจิตแต่ว่าจากตัวจิตไม่ได้ อาการคิดนึกสงสัยสรพัดสงแต่งทุกประกามอันนั้นเป็นตัวอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้คือว่าคนทำการทำ ง, งานนั้นเรียกว่ากิริยาตัวคนแท้นั้นมีต่างหากผู้ทำมีต่างหากให้เห็นตรงนั้น อาการที่จิตคิดไม่เปล่งแต่งสาระวัตตุอย่างนั้นเป็นอาการของจิตตัวจิตแท่นั้นไม่ใช่นั้นเหมือนกับคนตามรอยโคตามไปรอยโคไปแต่ตัวโคยังมันเห็นเมื่อเห็นตัวโคแล้วไม่ต้องตามรอยอันนี้ก็บชั้นเดียวกันเมื่อเรา ปิกามพุดโธหรืออนาขวาสติกต่างจะให้เอาอันเดียวได้แหละไม่ให้เอามากให้เอาอันเดียวจิตมันจิ้มคอยอยู่เอาหลายอย่างก็วัดปวนอยู่มันก็เลยไม่รู้พอเอาอันเดียวเท่านั้นะจิตมันอันีใดจิตมันมีอันเดียวที่ว่าหลายนั่นคือหลายอย่างลับสารนั้นเขราะอาการของจิต ตัวจิตแท้ตัวเดียวเม <c oughs> ื่อจิตรวมไปแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วอาการพุทโธก็หายไปหรือมดไม่มีพุโทโธยังเหลือที่จิตเรื่องอาการของจิตมันหลายอย่าง ชำระลงทุกทุกอย่างทรูปการแล้วคือชำระนั้นต้องการให้เห็นโทษของคิดของนึกให้เห็นโทษขอามปรุงต้องแต่งให้เห็นโทษอันนั้นเป็นให้เห็นโทษของมันอันเมื่อเห็นโทษของนั้นก็วางของนั้นหมดมันยังเหลือแตจิตผู่เดียวที่ถนดเอกรขตตาจิตวิจิตมีอารมณ์ อ, มอันเดียวอารมณ์เลิศอันเดียว อันนั้นน่ยตัวสมาธิแล้วคนระาว น, นี้เมื่อถึงจิตแล้วครับเมื่อถึงจดตัวจิตแล้วมันจะกลายเป็นใจจิตงับใจมันต่างาพาางระนนะอนะนะงค์ก็บุรุษเจ้าทั้งกรเทศสนามนจิตอันใดใจน่ะใจในจิตนะท่านก็พูดเหมืนกันท่านปรเทศสนามแต่ว่า ทำไมยังต้องพูดสองอย่างคือพูดคิดพูดใจเรามาคิดข้อดูว่าจิตคืออะไรผู้คิดผูดดด้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ส่งผู้ใส่ใช่ไหมไปตามอารมณ์ต่างๆเรีย ก, กว่าจิตอย่างอธิบายไว้เบื้องตน้นทา น, นี้เมื่อละของนั้นหมแล้วเข้ามารวมอยู่อันเดียว อันนั้นเรียกว่าใจอย่างเราเขาพูดกันทั่วไปหมดเรียกว่ามีคนคนมีใจมีจิตมีใจเขาพูดกันอยู่ใจคืออะไรใจคือตัวกลางจึงเรียกว่าใจไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลย มันน่าเสียากว่าใจใจสะดวกลางภาษาของเราก็พูดกันอยู่อะที่ไหนตรงกลางเท่านั้นเป็นใจอย่างว่าใจมือ ใ, ใจเท้าใจอะไรก็ตามเถอะตรงงกลางน่ะคันนิ้นยีมันออกไปสองไปข้างตรงเท่านี้แล้วคันตรงกลางนี่นเป็นตัวใจตรงนั้นแ่ะ เรียกว่าใจเราทําสมาธิ่โวนาต้องการให้เห็นจิตจิตคือผู้คิดผู้นึกอย่างอธิบายมาแล้วตัวจิตแท้ไม่ไม่คิดไม่นึกเข้ามาเป็นใจแล้วกันอัดตรงนั้นไ้ไดทตรงนั้นขานีขานีสงขัน ทำสมาธิมันจะได้อะไรได้ยังได้อยู่นั่นแหละได้ยังของที่ไม่มีสมาธิท่านต้องเด็ดเดี่ยวปราหานยอมสนะทุกสิ่งทุกประการแม้แต่อารมณ์ในใจก็ไม่ให้คิดนึกว่าอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็ดอยากจะให้เกิดให้มีถ้าหา มีอย่างนั้นไม่เป็นใจมันไม่เป็นกลางวางมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่จะตั้งใจสมาธินั้นแตกเกี่ยวไม่ตั้งใจยังขัดจิตเวลามันจะเป็นลงไปมันจะเป็นสมาธิยิ้ปล่อยวางเฉอหมด ทุกสิ่งทรกการอันปล่อยวางนั่นนะมันไม่มีอารมณ์ในใจความสุขในที่นั่นจะเกิดมีขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความสุขในทางธรรมแปรจากทุกในโลกสุกในทางแล้วออก้น มีเงินมีทองเขาของสขบัดมากเรียกว่าสุกแต่สุขทางธรรมนี่ไม่มีอะไรมดให้พิจารณาดูให้ดีด้วนวะของมีมากๆแล้ว น, นั้นมันสุขไหมเข้าใจว่าเป็นสุขสุขอันนั้นมันเลยเข้าใจสุขเป็นทุกข์สำคัญทุกข์มันเป็นสุข คือทุกในการหาในการบริหารในการรักษานี่แล้วต้องรักษามีเงันมีทองก็ต้องรักษายิ่งสบายใ น, นยิ่งแย่ yeah, ทีเดียวมีเงินมาไปไหนก็ลำบากกลัวเขาจะเรียกค่าไท ย, ไยต่างๆอะไรต่างๆก็จะจับไปเรียกค่าไทยอันนั้นทุกที่ไหนราคานี้ ยิ้ว่าสุขในการมีของโลกมันไม่สุขแล้วสุขในทุกสุขในทางขำหมดเรื่องเลยปล่อยวางหมดทุกทสิ่งทุกอย่างแต่ความอยากเป็นอยากมีก็ไม่ได้ก็ไม่ฮันนีเลยทีนั้นเวลาจิตมันจะลรวมเป็นสมาธิ เลยแม้คาปฏิกรรมก็ทอดทิ้งหมดควาอหวางทุกสิ่งทุกัยงความหวางว่าความหวานนั้นมันว่างมันปลอดโปร่งไม่มีอมิตรในที่นั้น mm. เมื่อบุคคลเข้าถึงในที่นั้นแล้วจะรู้ด้วยตนเองว่าสุขเปี่ยงแค่ไหนพูดไม่ถูก ให้รู้ด้ยวยตนเองว่ามีสุขขนาดไหนนี่แหละหัดสมาธิ้องเป็นอย่างนี้คำว่าผู้ภึกหัดเบื้องต้น <c oughs> ก็ดีและทําการที่สุดก็ดีไม่มีปัญหาฮัดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วโดยการที่ปล่อยวาง จิตรวมาเป็นหนึ่งไปแล้วถึงอปนาสมาธิปล่อยวางมดคำพิจารณาอัอ น, นั้นไม่ใช่เรื่องต้นใช่แล้วไม่ใช่กระมโตเป็นมัธยมอุดมไปใช่แล้วสุดหัตั้งหลายปีตั้งกี่ปีพีปีแต่ไม่ถึงขนาดนั้นจิตไม่ถึงขนาดนั้นยังคำริจารมอยู่นั้ยแหละอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นล่าไป ธาาาารรมะคำสอนโดยเจ้แปกเวลาจะเป็นไปเดียวเดียวถึงที่สุดของสมาธิสมาธิถึงที่สุดเลยถึงที่สุดคืออัิยนาใครจะหัดเขาแล้วจะหัดถึกที่สุดของสมาธิคืออัิยนานี่ยที่ปาเจนแค่นี้ เอาแต่ถนัดที่ชอบใจของเราที่สุดโหนนั้นแหละคำวิกรรมนั่นแหะให้เอาคนเดียวกำหนดลงที่สติตั้งสติกำหนดลงที่ใจสติปัจจัยนั่นแหละใจกุญแจนั่นแหละใจรักษาใจ เมื่อตั้งสติคือความระลึกได้อยู่ตลอดเวลารักษาใจนั้นให้เห็นอยู่ทุกขณะคิดนึกสงสัยและไรก็รู้เรื่องของใจตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อรักษาใจอย่างนั้นแล้วมันละอายเรกใจมันคิดนึงเหมือนละอายเราต่อไป มันจะโลภโกรธลงไม่ได้ก็ตามเถอะคันตามใจแล้วมันหยุดทันทีมันไม่คิดไม่นึกไม่สงสัยยุดทันทีที่ตามไม่ที่ที่ไม่มีสติตามมันหรอกมันยั่คอยส่งไปมันยังคิดนึกเมื่อมันไม่ส่งมันหยุดคง ยังไม่ทันเป็นสมาธิเต็มที่ยังมันรวมให้อยู่ในคําบริกรรมเสก่อนพอมันรวมลงไปแล้วไม่รู้สึกอะไรหรอกเรานั่งอยู่มันไม่รู้สึกนั่งกี่ชั่วโมงกี่โมงไม่รู้สึกนั่นเน่ยมันมีแต่สมาธิความเยือกเย็นสงบอันเดียวให้จับเอาตรงนั้นให้ได้ การได้ที่หนึ่งแล้วนันไม่ซัไม่ไม่ใช่ว่าจะหายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นหัดถ้ามันได้บ่อยๆตั้งเก้าปีสิบปีเท่าไหร่ก็อยู่กปเถอะถ้ามันชำนิชำนานจนกระทั่งจะทำาสมทธิเมื่ อ, อไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทำได้ทุกขณะ จะให้มันคิดก็ได้จะให้มันนึกองสายก็ได้ให้มันปรุงมันแต่งก็ได้จะไม่คิดไม่ น, นึกมัปรุงมัแต่งก็ได้อยู่สงบเต็มที่ให้มันชะนี้ชะนานไปก่อนอย่าเพิ่งไปหาลเลยตัวปัญญาปัญญาคืออุบายที่จะให้เป็นสมาธินั้นเป็นอุบายปัญญาอย่างยิ่งยากนักคนซึ่งจะทําสมาธิได้ ถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถทำสมาธิได้นั่นคือตัวปัญญาคือบบลมจิตใจให้เป็นสมาธิละสิ่งที่ที่เป็นกังวลเกี่ยวข้องทุกสิ่ง ท, ทุกประการอันนั้นคือตัวปัญญาหัดปัญญานี่เลยป่ะปัญญาพัฒนาย่าไปพูดง่ายจะไปพูดกันเลย ไม่ใช่ของใช้ง่ายๆสูงที่เราปัญญายศาสนาแต่ละมรดกแต่ละผลไม่แต่ละชั้นอะภูินี่ที่เดียวไม่เกิดอีกหรอกมันปัญญาศาสนามันเกิดแล้วทีเดียวแล้วก็เท่า น, นั้นแ่ะอันคนไอนการที่เอามาพิจนา น, นั้นอนุโล ม, มตามต่างหากหรกไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีก อันนั้นยังเอาไว้สกก่อนให้หัดปัญญาตรงนี้สะกก่อนเข้าใจว่าตนไม่มีปัญญาเะีเดียวฉลาดอะไรต่างมีปัญญาเกิดในที่นั้น <c oughs>